คำปรารถถือกันมาแต่เก่าก่อนว่าคำแนะนําสั่งสอนของพ่อแม่นั้นเป็นสมบัติที่ล้ําค่ากว่าสมบัติใดๆผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนถือเป็นหน้าที่ของตนจะต้องอบรมแนะนําสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนดีคอยแต่งเติมให้ลูกของตนงดงามทั้งกิริยามารยาทคําพูดและจิตใจตลอดทั้งให้กําลังใจ ปลอบใจเมื่อลูกพลาดตำหนิติติงเมื่อลูกทำผิดตัวลูกเองก็ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเป็นคนกระตันยูรู้คุณพ่อแม่ยินดีน้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านเมื่อเป็นดังนี้ครอบครัวจึงอบอุน่นได้รับความสุขทั้งสองฝ่ายคือพ่อแม่เองก็สบายใจ หายห่วงเมื่อเห็นลูกเป็นคนดีสมใจปรารถนาตัวลูกเองก็ได้ขุมทรัพย์คือความเป็นคนดีงามทั้งกายวาจาใจจากพ่อแม่ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีแล้วและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอันคำสั่งสอนของพ่อแม่นั้นมีมากจนไม่อาจจะบันทึกให้หมดสิ้นได้ แต่ก็หน้าที่จะมีการรับบันทึกไว้บ้างเท่าที่จะบันทึกได้จึงเกิดแรงบันดาลใจให้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาคล้ายกับเป็นบันทึกถ้อยคำของพ่อแม่ที่สั่งสอนลูกกันมาแต่โบราณถ้อยคำแต่ละตอนแต่ละเรื่องที่เขียนไว้นี้ได้รวบรวมจากที่ได้ยินได้ฟังมาบ้างปรากฏอยู่ตามหนังสือต่างๆบ้างแล้วนำมาปะติดประต่อเรียงร้อย ให้สละสลวยตามจำนวนหนังสือเพื่อให้อ่านง่ายเข้าใจไม่ยากทั้งนี้ก็เพื่อรักษามารดกคือคำสั่งสอนของพ่อแม่ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่สมัยใหม่ให้รู้แนววิธีสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนดีและเพื่อให้ผู้เป็นลูกได้ทบทวนคำสั่งสอนของพ่อแม่ของตนโดยตั้งชื่อเรื่องว่า คำพ่อคำแม่ซึ่งมีความหมายว่าคำแนะนำสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเองและไม่ใช่ว่าคำสั่งสอนของพ่อแม่จะมีเพียงเท่าที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นคำสั่งสอนดีๆยังมีอีกมากทั้งที่นึกไม่ได้และไม่ได้นํามาบันทึกไว้ขอให้ผู้รู้ทั้งหลายสแสวงหาและบันทึกเพิ่มเติมเองเทิน พระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุระเตโชวัดราชโอรสารามกรุงเทพคำพ่อคำแม่ โดยพระธรรมกิติวงทองดีสุระเตโชป ร, ริยธรรมเก้าราชบัณฑิตวัดราชโอรสารามเขตจอมทองกรุงเทพ บดนี้จะลำนำเป็นคําสอนจากหัวใจพ่อแม่รักแน่นอนทุกบทตอนวอนเห็นเป็นสำคัญมุ่งถ่ายทอดความคิดชี้ผิดถูกมุ่งให้ลูกรู้ใจความใฝ่ฝันเป็นแนวคิดศึกษาค่าอนันดำรงมั่นความดีวิถีไทยขอให้ลูกตั้งจิต ที่นิ่านจะพบพานความจริงอันยิ่งใหญ่ทุกอย่างเป็นศัจธรรมค่าอัมภายัยทำดีไว้ชั่วเว้นจะเป็นคุณความในใจลูกรัก ลูก่อพอที่จะรู้เรื่องราวของชีวิตบ้างแล้วลูกคงจะรู้แล้วว่าพ่อแม่นั้นรักลูกมากแค่ไหนลูกเปรียบเหมือนดวงตาดวงใจของพ่อแม่ทุกคนที่พ่อแม่เหนื่อยยากลำบากทำงานทําการจนไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ลูกทุกวันนี้ลูกคงพอจะทราบแล้วว่าก็เพื่อตัวของลูกเองทั้งนั้นลําพังสองปากสองท้องของพ่อแม่ ทำงานแค่ครึ่งวันก็พออยู่ได้แล้วที่พ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนี้ก็เพราะความรักลูกนั่นเองที่บอกเนี่ยไม่ใช่เพื่อเรียกร้องบุญคุณหรือว่าเรียกร้องอะไรจากลูกหรอกเพราะในวันหน้าลูกก็จะรู้ได้เองอันที่จริงพ่อแม่ทุกคนแหละลูกที่ต้องการอะไรลหลายอย่างจากลูกแต่ก็พูดไม่ได้มันเหมือนน้ำท่วมปาก เป็นต้นว่าพ่อแม่ถึงแม้ว่าจะร่ำรวยมีสิ่งของมากมายเหลือใช้แต่ก็ยังอยากได้ของขวัญของฝากจากลูกอยู่ดีแม้ของนั้นจะไม่มีราคาค่างวดนะักหรือสู้ของที่มีอยู่ไม่ได้แต่เมื่อเป็นของฝากจากลูกพ่อแม่ก็ปริ่มในอกเหลือล้นแล้วเมื่อลูกมีขนมมีอาหารมาฝากถึงแม้จะอิ่มแล้ว ก็สามารถกินของที่ลูกนํามาได้อีกด้วยความเต็มใจเสื้อผ้าที่ลูกนํามาให้แม้จะไม่สวยงามอะไรนักแต่พ่อแม่ก็จะใส่อวดลูกเอาใจลูกหรือเมื่อลูกมาเยี่ยมเยียนแม้ว่าจะไม่มีอะไรติดมือมาเป็นของฝากเลยมีแต่หน้ามาให้เห็นมีแต่มือสองมือมาไหว้หรือว่ากราบที่ตักเท่านี้พ่อแม่ก็พอใจแล้ว มันทำให้อิ่มอกอิ่มใจไม่น้อยในใจของพ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนี้ล่ะลูกต่อไปวันหน้าถ้าลูกมีลูกของตัวเองนั่นแหละจะเข้าใจความรู้สึกอย่างนี้ได้ดี ครอบครัวอบอุ่นลูกรักคำว่าครอบครัวเป็นคำที่มีความหมายมากคือหมายถึงความรักความอบอุ่นความเป็นอันเดียวกันสมัยลูกเป็นเด็กๆ เ, เราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวมีเสียงหัวเราะสนุกสนานมีเสียงวิ่งเล่นวิ่งไล่กันได้ทานอาหารร่วมกันได้ทำอะไรด้วยกันดูมันมีชีวิตชีวา พ่อกับแม่ทํางานเหน็ดเหนื่อยกันมาพอเห็นหน้าลูกๆมาคอยต้อนรับที่หน้าประตูถามว่าเหนื่อยไหมแล้วก็ช่วยกันถือกระเป๋าถือของให้เท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วเห็นลูกกินได้นอนหลับพ่อกับแม่ก็สบายใจตอนนี้ลูกโตกันแล้วหากสามารถเสกเป่าได้พ่อกับแม่ก็จะเสกเป่าให้ครอบครัวเรา เป็นครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนตอนเป็นเด็กแม้จะนานๆครั้งก็ยังดีทานข้าวด้วยกันถามไถ่สุขของกันและกันได้อุ้มหลานตัวน้อยเท่านี้ก็ยืดอายุให้พ่อแม่ได้อีกหลายปีแล้วลูกเอ้ย รักน้องลูกรักพี่กัรน้องกันรักกันไว้เถอะสายเลือดเดียวกันยังไงยังไงก็ตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดหรอกลูกอย่าได้รังเกียตรังงอนหรือว่าริษยาตาร้อนกันเลยช่วยเหลือดูแลกันดีกว่าพี่กัรน้องกันมาทะเลาะกันนั้นเป็นเรื่องที่น่าละอายแล้วก็น่าอดสูมากที่สุด ซึ่งคนดีๆเขาไม่ทำกันนะลูกคิดถึงหัว อ, อกพ่อหัว อ, อกแม่บ้างถ้าจะทะเลาะกันคิดถึงตอนเป็นเด็กๆสิลูกทะเลาะกันแล้วก็ดีกันหันหน้าเล่นหัวกันเหมือนเดิมลืมเรื่องที่ผ่านมาเสียรักกันไว้สามัคคีกันไว้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้สามีอาจหาใหม่ได้ ภรยาอาจหาใหม่ได้ลูกก็อาจหาใหม่ได้แต่พี่หรือน้องหาใหม่ไม่ได้อีกแล้วมีเท่าไรก็เท่านั้นเมื่อตัดพี่ตัดน้องก็เหมือนกับตัดเลือดตัดเนื้อของพ่อแม่นั่นแหละลูก ความทุกข์ของพ่อแม่ลูกรักสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่สบายใจที่สุดก็คือการได้เห็นลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันมานั่งคุยกันมาทานข้าวด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันแต่เรื่องที่ทำให้พ่อแม่สะเทือนใจแล้วก็ไม่สบายใจอย่างที่สุดก็คือการที่ลูกๆไม่ถูกกัน ไม่พูดจากันห่างเหินเมินหมางต่อกันยิ่งทะลุกลูกอิจฉาริษยากันทะเลาะเบาแว้งกันหรือถึงกับฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อเอาแพ้เอาชนะห้ำหันกันเองแล้วก็ยิ่งทาให้พ่อแม่สะเทือนใจมากขึ้นมันถึงกับให้พ่อแม่นอนสะอื้นทุกคืนทีเดียวล่ะลูกเมื่อลูกยังเล็กๆกกันอยู่ ลูกทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างพ่อแม่เห็นเข้าแม้จะไม่สบายใจอยู่บ้างแต่ก็ทนได้เพราะเดี๋ยวก็ดีกันลืมเรื่องที่ทะเลาะกันแล้วก็เล่นหัวกันต่อไปเรื่องของเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์นานแต่เมื่อลูกซึ่งโตๆกันแล้วมาทะเลาะกันมันดีกันไม่ได้เร็วเหมือนตอนเป็นเด็ก พ่อแม่เสียใจมากหากลูกเป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่หวังว่าลูกคงเข้าใจหัวอกของพ่อแม่ในข้อนี้ดีพ่อกับแม่จึงอยากย้อนยุคไปหาอดีต ท, ที่ลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันมาทานข้าวด้วยกันไปมาหาสู่กันเหมือนตอนเด็กๆถ้าเป็นได้พ่อกับแม่คงจะนอนตายตาหลับนะลูก ความปวดร้าวใจลูกรักบางครั้งพ่อกับแม่อาจทำอะไรหรือว่าพูดอะไรกับลูกรุนแรงไปบ้างอาจทำให้ลูกไม่พอใจบ้างแต่ขอให้ลูกเข้าใจว่าถึงอย่างไรพ่อกับแม่ก็รักลูกเสมอลูกยังเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ตลอดไปยามที่ลูกมองพ่อแม่ด้วยสายตาที่เกลียดชัง หรือว่าไม่แยแสเหมือนพ่อกับแม่เป็นคนอื่นพ่อกับแม่รู้สึกขมขืนแล้วก็ปวดร้าวอย่างที่สุดคนอื่นเขาดูถูกเยียดยามหรือเข้าใจพ่อแม่ผิดไปก็ยังไม่สะเทือนใจเท่ากับลูกดูถูกหรือว่าเข้าใจพ่อกับแม่ผิดไปเลยถ้าลูกจะโกรธจะเกลียดพ่อกับแม่เพราะลูกไม่ชอบใจไม่ถูกใจ สิ่งที่พ่อแม่ทำไปในบางครั้งพ่อกับแม่ก็ทนได้อยู่แต่ถ้าโกรธเกลียดเพราะว่าลูกไม่เข้าใจถึงจิตใจและความรู้สึกที่แท้จริงของพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็เสียใจแล้วก็ปวดร้าวใจมากที่สุดเลยนะลูก ยอดปรารถนาของพ่อแม่ลูกรักลูกอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความปรารถนาสุดยอดของพ่อแม่ตราบเท่าที่ลูกยังไม่ได้เป็นพ่อแม่คนคือพ่อแม่ทุกคนเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวขึ้นมาถ้าได้เห็นลูกของตัวมาปรนิบัติดูแลใกล้ชิดมาเยี่ยมเยียนให้เห็นหน้าบ่อยๆนั่นแหละ คือยาวิเศษขนานแท้ที่จะทำให้พ่อแม่หายเจ็บไข้ได้เร็วพลันทีเดียวลูกแวะเวียนมาให้เห็นคอยไต่ถามสุขทุกพ่อแม่ก็ปลื้มที่สุดแล้วและดูเหมือนจะเป็นสุดยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคนด้วยยิ่งตอนที่ตัวเองแก่ชาราลงไปแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ยิ่งแล้วใหญ่ ยิ่งปรารถนาต้องการมากขึ้นเป็นทวีคูณแม้จะรู้ว่าลูกของตัวมีธุระยุ่งมีงานต้องทำมากมายไม่ค่อยมีเวลาไปมาหาสู่นักแต่ก็อดที่จะเห็นแก่ตัวไม่ได้ยังปรารถนาจะให้ลูกมาปรนนิบัติดูแลอยู่ดี หวังจะได้เห็นลูกรักพ่อแม่ทุกคนนอกจากปรารถนาจะให้ลูกมาดูแลเอาใจใส่แล้วยังมีสิ่งที่ปรารถนาที่สุดอีกอย่างหนึง่งคือหวังใจจะได้เห็นลูกเจริญก้าวหน้าได้รับความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตที่ดีงามมีความสมบูรณ์พูนสุขหากลูกเป็นได้ตามที่ปรารถนา พ่อแม่ทุกคนจะไม่อิจฉาลูกเลยหวั่นใจอย่างเดียวว่าจะไม่ได้เห็นลูกเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่พ่อแม่ยอมลำบากเลี้ยงลูกกันมาก็เพื่อส่งเสริมลูกให้บรรลุถึงความหวังนั้นหากได้เห็นลูกเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถแล้วก็ฉลาดทันคน มีงานทําเป็นหลักฐานประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตามหวังพ่อแม่ทุกคนก็หายเหนื่อยแล้วลูกอย่าทําให้พ่อแม่ผิดหวังก็แล้วกันวิชาเป็นทรัพย์ลูกรักสุภาษิตพระร่วงกล่าวไว้ว่า เมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาสินเมื่อใหญ่คือเมื่ออายุน้อยให้ศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้ความรู้หาสินทรัพย์เงินทองตั้งเนื้อตั้งตัวคำสอนนี้ดีแท้ลูกเอ้ยการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของคนเราวิชาความรู้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน คนที่ศึกษาย่อมมีวิชาคนมีวิชาย่อมได้เปรียบในเรื่องการประกอบอาชีพท่านว่าวิชาเป็นทรัพย์คือวิชาความรู้นั้นเป็นทรัพย์ต้นทุนอยู่ข้างในตัวของคนเราติดตัวเราไปได้ทุกแห่งทุกหนไม่ลำบากต้องดูแลรักษานําออกมาใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือหาทรัพย์ภายนอกได้ด้วย ลูกจึงควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีให้มีความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ลูกได้วิชาความรู้ก็เท่ากับได้มรดกอันสำคัญไว้แล้วแม้จะไม่ได้มรดกที่เป็นทรัพย์สินเงินทองอีกก็สามารถใช้วิชาความรู้หาเอาได้มีคำกรนที่จำไว้ได้จึงขอฝากลูกไว้เป็นข้อคิดคากรนนั่นก็มีอยู่ว่า พ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียนเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจ ของเงินทองลูกรักเงินทองเป็นของมีค่าและหาได้ไม่ง่ายนักกว่าจะได้ก็ต้องแลกด้วยหยาดเงือและแรงงานข้อนี้ลูกคงรู้แล้วดังนั้นเงินทองที่พ่อหรือแม่หาให้ลูกใช้นั้นลูกก็ใช้ไปเถอะขออย่างเดียวให้ลูกใช้อย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่า คือให้รู้ว่ามันมาอยู่กับเราได้อย่างไรและจะใช้อย่างไรจึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่ามีใช้มีแล้วก็ใช้ใช้ให้หมดถ้าหากใช้คุ้มค่าและจำเป็นลูกก็ใช้ไปเถอะจะมากแค่ไหนพ่อกับแม่ก็จะหาให้จนพอแก่ความต้องการแม้จะต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกก็ทนได้ถ้าหากว่าเงินทองทุกบาททุกสตางค์ จะเป็นตัวผลักดันให้ลูกมีอนาคตที่สดใสงดงามได้ลูกไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ขอบอกลูกนิดเดียวเท่านั้นว่าก่อนจะใช้เงินขอให้ลูกฉุกคิดสักนิดนึงว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรเช่นลูกจะไปดูหนังสักรอบหนึ่งลองคิดดูว่าค่าดูหนังรอบเดียวเพียงสองชั่วโมงเศษซึ่ง เป็นเงินที่พ่อแม่ทำงานทั้งวันกว่าจะได้มานั้นพอจะคุ้มกันไหมกับความสนุกสนานที่ได้รับหรือลูกอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึง่งที่เพื่อนรวยๆเขามีกันแต่ต้องใช้เงินที่พ่อแม่ต้องทำมาตั้งครึ่งเดือนอย่างเนี้ยสมควรที่จะมีเหมือนเขาไหมถ้าลูกคิดได้ลูกก็จะเห็นคุณค่าของเงินทอง และลูกก็จะสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในเร็ววันขอให้ลูกคิดดูดีๆก่อนที่จะใช้เงินใช้ทองบัวนในตมลูกรัก ใครก็ตามถ้าเขาสามารถให้วิชาความรู้พิเศษที่หาได้ยากแก่เราได้เราก็ควรจะยินดีไปเรียนกับเขาไม่ควรไปตั้งแง่รังเกียจถึงชาติตระกูลรูปร่างหรือว่าความประพฤติของเขาเขาจะเป็นคนยากจนพิกลพิการหรือว่ามีความประพฤติไม่ดีอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาสอนให้เราฉลาด หรือมีวิชาความรู้พิเศษนั้นได้ก็พอแล้วครูอาจารย์ที่สอนเรามานั้นก็ใช่ว่าจะร่ำรวยหรือว่ามีความประพฤติดีทุกคนไปแต่เราก็เคารพนับถือท่านว่าเป็นครูอาจารย์ของเราได้เพราะว่าเราไม่ได้คำนึงถึงพื้นเพและความประพฤติของท่านมากนะักถ้าเรามัวไปตั้งแง่รังเกยียจสิ่งนอกตัวที่ไม่ดีของท่าน แล้วไม่ยอมรับความรู้ที่ท่านให้เราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยลูกก็ทำนองเดียวกันข้อธรรมหรือคำพูดที่มีคติเตือนใจถึงแม้จะออกมาจากปากของนักบวชผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยหรือว่าคนต่ำต้อยหากเป็นประโยชน์ต่อเราเราก็ควรจะไม่รังเกียจควรศึกษา แล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองเหมือนว่าเราต้องการดอกบัวเราลงไปในสระน้าเห็นดอกบัวแล้วก็เด็ดเอาดอกบัวมาเท่านั้นยายจะมัวคำนึงถึงที่เกิดของดอกบัวนั้นว่ามาจากโคลนต้มด้วยละ่ะได้ดอกบัวมาแล้วก็เป็นอันสมประสงค์แล้วจะสนใจที่เกิดของดอกบัวไปทำไม ดอกบัวที่เกิดจากโคลนตมที่เน่าเหม็นนั้นจะสกปรกเน่าเหม็นไปด้วยก็หาไม่เช่นเดียวกันลูกข้อธรรมวิชาความรู้และคำพูดที่เป็นคติดังกล่าวแม้จะมาจากคนไม่ดีคนด้อยการศึกษาหรือว่าคนพิการถ้าเราต้องการและเขาให้เราได้ก็เป็นอันจบกัน จะไปคำนึงถึงพื้นเพรรูปร่างหรือความประพฤติของเขาทำไมกันคำนึงแต่สิ่งที่เขามีและเขาให้เราได้จะไม่ดีกว่าหรือลูกซื่อกินไม่หมดลูกรักมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน ลูกคงเคยได้ยินมาแล้วคำนี้บอกให้เรารู้ว่าความซื่อหรือความซื่อสัตว์นั้นกินใช้ไม่มีวันหมดดีกว่าเงินทองเงินทองกินไปใช้ไปก็หมดไปหมดไปเรื่อยแต่ความซื่อสัตว์กินไม่มีวันหมดคือถึงเงินทองไม่มีก็อาจจะใช้ความซื่อสัตว์ไปขอหยิบขอยืมคนอื่นได้คนที่ยืมเขาก็เต็มใจ เพราะเราซื่อสัตย์ต่อเขาไม่คิดคดโกงเขาแต่ถ้าเราไม่ซื่อต่อเขาคดโกงเา้าเขาก็ให้เพียงครั้งเดียวตัวเองก็จะลำบากไปตลอดคนเราอยู่กับใครทำงานกับใครก็น่าที่จะซื่อสัตย์ต่อเขาต่องานที่ทำต่อคำที่พูดของตนเองอันความซื่อสัตย์นั้นก็คือความจริงใจ ปากกับใจตรงกันคำพูดกับการกระทาตรงกันไม่คดในข้องอในกระดูความซื่อนี้เป็นอมตะกินไม่หมดกินได้ตลอดไปเพราะคนอื่นเข้าไว้ใจลูกควรจะมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงไปตรงมาทำอะไรก็ยึดความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งแม้ว่าจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนน้อย ก็อย่าทิ้งความดีข้อนี้ใครจะเห็นว่าการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะในจ้างหรือราชการได้เป็นความฉลาดก็ช่างเขาใครเขาจะหาว่าเราโง่เซ่ออย่างไรก็อย่าไปคิดมากเราอย่าไปคิดอย่างเขาเพราะหากเราไม่ซื่อสัตย์ไปทําผิดอะไรเขา้าเมื่อถูกจับได้ขึ้นมาคนที่ว่าเราโง่ คนที่ยุแย่ให้เราทำผิดเขาไม่มาช่วยเราหรอกเราจะต้องรับโทษรับผิดไปตามลำพังถ้าทำงานด้วยความซื่อสัตย์ในเบื้องต้นเราอาจจะลำบากแต่ก็สบายใจในภายหลังเราก็ไม่ต้องได้รับทุกโทษอะไรตลอดไปคุณของความลำบากลูกรัก พ่อแม่ก็เหมือนกันทุกคนคือนอกจากจะไม่ต้องการให้ตัวเองลำบากแล้วก็ยังไม่ต้องการให้ลูกของตนต้องลำบากด้วยไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ต้องการให้ลูกตัวเองลำบากหรือยากจนแต่บางครั้งก็ทำให้ลูกต้องลำบากเหมือนกันเพราะพ่อแม่นั้นไม่อาจทำให้ลูกสบายได้ทุกอย่างแต่ลูกรู้ไว้อย่างหนึ่งว่า อันความลำบากนั้นไม่ใช่จะมีเพียงพิษร้ายทำให้คนเราทุกยากอย่างเดียวหากมองในมุมกลับความดีหรือประโยชน์ของความลำบากก็พอมีอยู่คือความลำบากทำให้คนเราแร่งขึ้นฉลาดขึ้นทำให้คนเราคิดเป็นแล้วก็ทำให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้น ความลำบากสอนให้คนเราช่วยตัวเองเป็นเพราะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมีคนไม่น้อยที่เขาได้ดิบได้ดีมาจากความลำบากโดยถือคติว่ายากไปก่อนแล้วสบายเมื่อปลายมือตอนต้นเขาหกล้มหกลุกมาเหนื่อยยากมาจนสายตัวแทบขาดแต่พอลำบากนานเข้าก็มองเห็นลูกทาง ที่จะทำให้สบายเขาก็สบายได้จริงๆในเวลาต่อมาก็ตรงกันข้ามหลายคนสบายมาตั้งแต่เกิดไม่รู้จักกับความลำบากพอมีเหตุทำให้ต้องลำบากขึ้นมาก็แทบจะเอาตัวไม่รอดทำอะไรก็ไม่เป็นจับอะไรก็ไม่ถูกกว่าจะเอาตัวรอดได้ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดทีเดียวดังนั้น ลูกอย่าไปกลัวความลำบากให้ถือว่าความลำบากเป็นครูเป็นกําไรของชีวิตและเป็นบทเรียนที่เราจะต้องจดจำไม่หันเข้าไปหามันอีกน้ำใจมีค่ากว่าน้ำเงินลูกรัก เมื่อลูกไปรับราชการหรือไปรับจ้างเขาทํางานอะไรก็ตามก็จงทํางานนั้นให้เต็มที่เต็มกําลังความสามารถให้คุ้มกับเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างของเขาหากจะทําให้เกินกว่าเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างนั้นได้ก็ยิ่งดีอย่าทํางานเพียงเพื่อให้ได้เงินอย่างเดียวอย่าคิดแต่เพียงให้งานเสร็จเสร็จไปเท่านั้นควรทํางานเพื่อให้ได้งานดีด้วย จึงจะเหมาะสมคนเราควรเป็นคนมีน้ำใจอย่าเป็นคนแหงน้ำใจนะลูกคนที่ทำงานเกินค่าของเงินตอบแทนด้วยความเต็มใจแสดงถึงจิตใจไม่เอารัดเอาเปรียบเขาแม้จะเสียเวลาอีกสักนิดแต่งานออกมาดีมันจะเป็นความภาคภูมิใจของเราเองความภาคภูมิใจอย่างเนี้ย จะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้ชุ่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอซึ่งไม่อาจซื้อหาได้จากที่ไหนนอกจากจะได้จากความมีน้ําใจของเราเองเมื่อใจมีน้ําใจใจก็มีน้ําหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นมันก็มีแค่นี้แหละผิดกับคนที่แ้งน้ําใจนอกจากจะไม่มีสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วจิตของเขายังแห้งผากเหมือนนาที่แรงน้า ขอให้ลูกฝึกความเป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้เถอะลูกเรื่องอย่างเนี้ยอย่าถือว่าเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบแต่ให้ถือว่าเป็นเรื่องของน้ำใจที่จะพึงมีให้แก่กันเพื่อจะอยู่ทำงานได้กันนานๆในที่สุดแล้วน้ำใจย่อมมีค่ากว่าน้ำเงินนะลูก รักษาคำพูดลูกรักเรื่องคำพูดเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของคนเราควรระวังเรื่องคำพูดสองอย่างคือก่อนพูดต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีและเมื่อพูดไปแล้วก็ต้องรักษาคาพูดเพราะคาพูดออกไปแล้วจะเป็นนายของเราจะบังคับให้เราต้องทำตามเช่นรับปากอะไรกับใครเข้าไว้ ก็ต้องทำให้ได้อย่างที่รับปากแม้จะต้องลงทุนรงแรงขนาดไหนแม้จะต้องตายก็ต้องยอมเพื่อรักษาคำพูดเรื่องคำพูดเนี่ยคนเขาถือกันมากถ้าเสียเรื่องคำพูดไปแล้วแม้อย่างอื่นที่ดีงามอย่างไรก็จะพลอยเสียไปด้วยอย่างที่เขาว่าเสียเครดิตนั่นแหละโบราณเขาจึงสอนไว้ว่าเสียชีพอย่าเสียสัต ดังนั้นเมื่อลูกคิดว่าตัวเองจะต้องลำบากเพราะรักษาคำพูดก็อย่าไปรับปากใครเข้าง่ายๆจงไตรตรองให้ดีเสียก่อนว่าเมื่อรับปากเขาแล้วเราจะทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าจะเดือดร้อนภายหลังไหมคิดให้รอบคอบให้ทวนทีก่อนหากเห็นว่าสามารถทำได้ค่อยรับปากจึงจะชอบด้วยหลัก และจะไม่เป็นคนเสียหลักเอาง่ายๆคนเราหากรักษาคําพูดไว้ไม่ได้จะไปรักษาอะไรได้ล่ะลูกเพราะขนาดคําพูดซึ่งอยู่ในตัวแท้ๆยังรักษาไว้ไม่ได้ค้องนอกตัวอื่นๆจะรักษาได้อย่างไรจึงขอให้ลูกไตรตรองให้ดีก่อนพูดก่อนรับปากใครแล้วก็อย่าเป็นคนลืมคําพูดง่ายๆ รักษาคำสัตว์ไว้ให้มั่นคนรักษาคำสัตว์นั้นแม่ตัวจะตายไปโลกก็ยังยกย่องไม่รู้ลืมเช่นดังพันท้ายนรสิงผู้ซื่อสัตว์คนเสียสัตว์แม้จะเอาตัวรอดได้คราวหนึ่งต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครมาแยแสก็จะถูกโดดเดี่ยวอยู่ตามลำพัง รักเดียวใจเดียวลูกรักสิ่งที่จะทำให้คู่ครองอยู่กันยั่งยืนตลอดไปนั้นก็คือความรักเดียวใจเดียวซึ่งหมายถึงความจริงใจซื่อสัตย์ต่ อ, อกันไม่นอกใจกันมั่นคงอยู่ในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่กันตั้งแต่แรกสามีหรือภรรยารักเดียวใจเดียวอย่างนี้เรียกว่ารักษาสัจจะมั่นคง สัจจะนี่แหละที่ทำหน้าที่เป็นโซ่ทองคล้องใจคู่สามีภรรยาไว้ได้เมื่อมีสัจจะรักเดียวใจเดียวต่อกันแล้วอย่างอื่นเช่นความเห็นอกเห็นใจกันการให้อภัยกันและความเข้าใจกันดีก็จะตามมาความรักเดียวใจเดียวนี้จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาแหวงกัน ไม่หวาดระแวงกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะถนอมไว้เมื่อลูกมีครอบครัวก็ขอให้ลูกยึดแนวนี้ไว้ครอบครัวของลูกจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขสบายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รักเดียวใจเดียวเสียแล้วจะอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขแน่การที่ต้องเห็นหน้ากันอยู่ได้กันกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์นั้นมันอึดอัด แล้วก็ลำบากใจแค่ไหนลูกก็คงพอทราบจึงไม่ควรประพฤติเป็นคนนอกใจคู่ครองของตัวคนเราแม้สัจจะต่อคู่ครองของตนยังรักษาไม่ได้จะไปรักษาความดีงามอะไรอื่นได้ความน่าเชื่อถือและศักดิ์ศรีของคนเรานั้นเริ่มที่สัจจะนี่แหละลูกคนที่มีสัจจะ และรักษาสัจจะเท่านั้นจึงน่าจะเชื่อถือได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีพอที่จะให้ความไว้วางใจได้คนที่ขาดสัจจะไม่ซื่อสัตย์แม้แต่คู่ครองของตัวเองจะไปซื่อสัตย์ต่อคนอื่นนั้นก็คงยากจะไปไว้ใจเขาได้อย่างไรทุกแห่งหนเขาถือกันมาตลอดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากทีเดียว กับการที่ไม่รักเดียวใจเดียวแต่ไปปันใจปันตัวให้แก่คนอื่น โง่บ้างก็ดีลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทรมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอยอมให้เขาว่าโง่ ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเข้านักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมาก ระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัว หรือต้องคอยประจบซอพอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เ่าคนอื่นเกินความจำเป็น ลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไหร่เป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก การให้อภัยลูกรักในโลกนี้ไม่มีใครทำอะไรถูกต้องหรือว่าดีไปทั้งหมดและก็ไม่มีใครจะทำอะไรให้ถูกใจเราไปได้ทุกอย่างเราเองก็เหมือนกันใช่ว่าจะทําดีทําถูกไปเสียทุกอย่างหรือทําให้คนอื่นถูกใจไปได้ทุกคนข้อนี้เป็นธรรมดาคนอื่นก็ทำผิดพลาดบ้าง บกพร่องบ้างทําไม่ถูกใจเราบ้างล่วงเกินเราบ้างถ้าให้อภัยเขาได้ก็ให้อภัยเขาไปเถอะอย่าไปถือสาอย่าไปโกรธเคืองหรืออย่าไปต่อว่าเขาเลยนิ่งเฉยเสียทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสี้ยบ้างก็ได้อย่าไปเก็บมาใส่ใจมากนะักเมื่อให้อภัยเขาแล้วคนที่สบายใจคือตัวเราเองนะลูก ผูกโกรธไว้ก็เหมือนกับผูกโซ่ร้อนๆไว้ที่ใจต้องคิดแค้นอาฆาตรุ่มร้อนร่าไปไม่มีอะไรดีเลยให้อภัยอีกอย่างหนึง่งก็คือให้ความไม่มีภัยแก่คนอื่นหมายความว่าทำตัวเราไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยแก่คนอื่นไม่ก่อความกลัวความเดือดร้อนหรือความหวาดระแวงแก่คนอื่น แต่ตัวเป็นคนเปิดเผยเป็นกันเองทำตัวให้เป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นทำอย่างเนี้ยก็เรียกว่าให้อภยัยให้อภัยเป็นความดีกับตัวเราเองนะลูกคือผู้คนเขาจะได้ไว้เนื้อเชื่อใจมอบหมายงานสำคัญให้ทำผิดกับคนที่มีพิษภยัยไว้ใจไม่ได้ไปที่ไหนคนเขาก็ไม่อยากให้เข้าใกล้ อยู่ที่ไหนคนเขาก็ระแวงทำงานอะไรเขาก็ไม่ไว้ใจมันเสียทุกอย่างขอให้ลูกอย่าทำตัวอย่างนั้นเลยให้อภัยคนอื่นได้ลูกก็จะสบายใจทำตัวให้ไม่มีพิษภัยได้ลูกก็จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่มีใครลังเกียจฝึกให้อภัยเข้าไว้อย่าไปคิดว่าเป็นการเสียเกียรติเมื่อต้องให้อภัย เพราะคนเรารักเกียรติรักศักดิ์สิจนเกินจำเป็นนี่แหละจึงต้องมานั่งคุมแ้นก่อกรรมทําเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดเก็บหอมรอมริบลูกรักเมื่อเราต่อสู้งานได้เงินหรือได้ทรัพย์สินมาแล้ว จะทำให้เราตั้งตัวได้ทันทีก็หาไม่เพราะเงินทองที่ได้มานั้นไม่ใช่ได้มาครั้งเดียวเป็นกอบเป็นก ร, รมใหญ่โตตั้งตัวได้เลยแต่จะทยอยได้มาเรื่อยๆช่วงที่ได้มานี่แหละสำคัญหากได้มาแล้วไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบได้มาแล้วก็หมดไปการอดออมหมายถึง ซึ่งการเก็บหอมรอมริบไว้นั้นเป็นความจำเป็นมากได้เงินทองมาแล้วก็แบ่งปันเป็นส่วนส่วนคือกินใช้บ้างเก็บออมไว้บ้างจะมากน้อยอย่างไรก็เก็บออมเอาไว้ไมิใช่ว่าได้มาแล้วก็กินใช้หมดหมดแล้วก็หาใหม่คนที่ทำอย่างเนี้ยเรียกว่าคนทํามมาหากิน ส่วนที่เก็บไว้นี่แหละจะค่อยพอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทรับก้อนโตพอที่จะตั้งตัวเป็นหลักฐานได้การที่จะเก็บหอมรอมริบได้นั้นก็ต้องอยู่ที่การอดออมเป็นสำคัญคือต้องยอมอดบ้างอย่าตามใจปากอย่าตามใจตัวมากนะักอยากกินอะไรอดได้ก็อดไว้กินเฉพาะที่จําเป็น ขอให้กินเพราะหิวแต่อย่า ก, กินเพราะปากมันอยากกินอยากใช้อะไรก็อดได้ก็อดไว้ใช้เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ซื้อเฉพาะจำเป็นต้องซื้ออย่าซื้อเพราะอยากได้เพียงอย่างเดียวเมื่อเราอดได้เงินทองก็ยังอยู่กับเราเอาส่วนนี่แหละไปออมไว้อีกทีหนึ่งทำอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าอดออม หรือเก็บหอมรอมริบถ้าลูกอยากตั้งเนื้อตั้งตัวได้เร็วๆก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้จึงจะสมหวังนะลูกรวยแล้วอย่าลืมตัวลูกรักได้บอกลูกมาแล้วว่าการอดออมเป็นความดี เริ่มต้นที่คนซึ่งกําลังจะสร้างฐานะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอดออมได้มากก็จะมีเหลือมากเหลือมากเท่าไรก็สร้างฐานะได้เร็วขึ้นเท่านั้นเมื่อต้องการตั้งตัวก็ต้องเริ่มที่อดออมก่อนอย่าสูรุ่ยสูร่ายปุ้มเฟือยรู้จักกินรู้จักใช้กินใช้แต่พอดีทำได้ก็ตั้งตัวได้ ขอเตือนลูกไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อลูกอดออมจนสร้างฐานะให้พอสมควรแล้วลูกต้องระวังตัวไว้อย่างหนึง่งคือทรัพย์สินเงินทองที่ออมไว้จนทำให้ฐานะลูกดีขึ้นแล้วนั้นอาจจะทำให้ลูกลืมตัวเผลอใจหลงไหลได้ปลื้มกับเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นจนกลายเป็นคนตรนีเห็นแก่ตัวก็ได้ ทำให้เป็นคนกระด้างยิงยะโสคิดใหญ่ไฝ่สูงทะเยอทะยานหรือเที่ยวข่มเหงรังแกคนอื่นโดยคิดว่าตัวเองนั้นมีเงินมีทองจะทำอะไรตามใจชอบก็ได้เพราะเงินทองเป็นดาบสองคมอยู่ให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้ขอให้ลูกมีสติอยู่เสมอว่า จะอดออมเงินทองไว้เป็นหลักประกันชีวิตและครอบครัวเพื่อเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขเมื่อมีเหลือแล้วจะเฉลี่ยเจือจานช่วยเหลือคนอื่นตามสมควรลูกคิดได้อย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์จากเงินทองที่อดออมไว้อย่างเต็มที่รวยแล้วอย่าลืมตัวนะลูก